ขอถวายพระพรเจริญพระราชิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบอพิษพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประมินพระธรรมิกะมหาราชาทิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ บัดนี้อาตมาจะรับพระราชทานถวายวิสัสนาพระธรรมเทศนาในอภิธรรมมะกะคาถาอั ป, ปมาทกถาฉลองประเดศพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัสนาไปมิต้องตามโวหารอธิบาย แห่งพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร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 วัยธรรมมาสร้างฆาราอั ป, ปมาเดนะัมปาเดทาตีบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในการทรงพระกรุณาโปรดเก้าบำเพ็ญพระราชสุขสุศลในงานออกเมนศพนางจำนงณศิรวันตามประเพณีนิยม และตามทางพระพุทธศาสนานางจำนงณศีลวันเกิดเมื่อวันที่สองกรกฎาคมพุทธศักราชสองราที่กรุงเทพมหานครสมรสกับนายวิรยะณศีลวันมีบุตรชายเพียงคนเดียวคุณแม่ท่านคิดว่าสาระสำคัญของการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ที่ประเสริฐสุดคือการได้พบพระพุทธศาสนาและมีบุญวาสนาและโอกาสที่จะเข้าสู่การปฏิบัติให้เกิดธรรมะเข้าสู่จิตใจได้นับเป็นสาระของชีวิตอย่างแท้จริงคุณย่าจำนงได้เริ่มเข้าสู่เส้นทางนี้แต้งแต่บุตชายเข้าอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปีพุทธศักราช 2,504 ต่อมาได้มีโอกาสเข้าสู่ธรรมะปฏิบัติจากการเป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์มหาบัวญานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดเมื่อปีพุทธศักราช 2,508 และได้เข้าเป็นสิทธิ์ของพระเถระหลายองค์ในสายของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต เช่นท่านพระอาจารย์ขาวอนารโยวัดรรมกองเพนท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรท่านพระอาจารย์ชาสุภัทโทวัดหนองป่าพงท่านพระอาจารย์เทศเทศรังสีวัดหินหมักเป้งและอีกหลา ย, ลายองค์ซึ่งคุณย่าจำงเคารพนับถืออย่างท่านเจ้าคุณริยะเวทีวัดรังสีปารีวรรณ ที่เป็นเจ้าขุนหลวงปู่มหาเขียนจังหวัดกาละสินและก็หลวงปู่จวนหลวงปู่วันหลวงปูส่สิงทองหลวงปู่สุพัฒมีมากมายในยุคสมัยนั้นที่คุณย่าจำงของพวกเราได้ไปกราบไปไหว้เคารพสักการะบูชาคุณย่าจำงได้เดินทางไปวัดต่างๆในภาคอีสานโดยตลอดจนเข้าสู่วัยชรา ยุติการเดินทางไปวัดต่างๆลงเนื่องจากประสบปัญหาความลำบากในการเดินทางแต่ความมั่นคงในธรรมะของคุณย่าจำงยังได้รับการสั่งสมมาโดยตลอดโดยเฉพาะใน18ปีสุดท้ายท่านในเร่งความเพียรในทานศีลภาวนาได้สมความปรารถนาและท่านก็ได้สามารถ เข้าสู่ความประเสริฐสุดของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงตามสมควรที่ท่านได้ปรารถนาไว้คุณย่าจำงมาถึงจุดจบในชีวิตของของท่านท่านอายุได้ร้อยหนึ่งปีนับว่าที่มีอายุยืนยาวมากในยุคสมัยปัจจุบันนี้เมื่อท่านล่วงลับไป เหมือนกับใบไม้เหลืองคือมันหมดอายุใบไม้ที่หมดอายุของใบไม้ต้องเหลืองแล้วก็หล่นไปในที่สุดคุณย่าจำงของพวกเราท่านก็ได้ล่วงหล่นไปอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นท่านอายุถึงร้อยหนึ่งปีท่านก็ไม่มีวิบากในแขนของท่านท่านยังทรงตัวของท่านท่านเดิน เขินใช้ธาตุขันของท่านได้ปกปติตามวัยอายุของท่านไม่ได้นอนอยู่กับหมอนนอนกับเสือท่านยังช่วยตนเองได้นับว่าคุณย่าเป็นผู้มีบุญมากไม่ได้ละ บ, บากกับธาตุขันไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่นอันนี้ก็คือฝ่ายธาตุขันส่วนการประพฤตปฏิบัติคุณยา่าท่านก็ได้พาลูก หลานของท่านอย่างท่านองค์ขบนตีท่านดรชาวอาตมาภาพก็รู้จักนี่อาตมาภาพกำลังเทศอยู่เนี่ยรู้จักกับท่านองค์ขบนตีตั้งแต่ปีพศ .2512 ที่ท่านเข้าไปวัดป่าบ้านตาดในยุคสมัยนั้นจากนั้นมาก็ได้รู้จักมักคุณมาโดยตลอดก็เพราะว่า คุณแม่ของท่านได้ปลูกฝังปณิสัยของท่านองค์ขวมนตรีท่านดรของเราให้รู้จักวัดวาศาสนาจากนั้นท่านก็ได้เดินตามแนวแถวทั้งโยมพ่อและโยมแม่ของท่านก็ได้เข้ามาสู่วัดวาศาสนาอย่างแท้จริงจากนั้นท่านก็ได้พาลูกชายของท่านคือคุณชัยนนศรีละวันคือลูกชายคนเดียวของท่านและก็พร้อมสะ้ายอีกคน แต่เดี๋ยวนี้พันยาของท่านองค์ขอนตีท่านดเตอร์ชาวพวกเราก็คงจะรู้ได้กิตทีสับว่าปี 2,523 ที่เครื่องบินตกที่รังสิตในยุคสมัยนั้นท่านก็เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตลอดออท่านองค์ขอนตีของเราคุณชัยนศรรวันก็อยู่กรุงเทพแต่ท่านคุณหญิงไขสีท่านก็ขึ้นไปพัก ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าบันตาจากนั้นท่านก็ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์หลวงปู่ห้ารูปในยุคสมัยนั้นก็คือหลวงปู่บุญมาหลวงปู่วันหลวงปู่จวนหลวงปู่ชิงทองหลวงปู่สุพัฒนิมนต์ลงมาในงานมงคุสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในพอสอนั้นอพอมาเครื่องบินก็ได้ตกท่านคุณหญิงก็ได้มรณภาพ ในครั้งนั้นแต่ยังอยู่ในองค์ขบวนตรีกับคุณชัยและลูกสะพายของท่านนี่นะยังสที่่แต่ท่านทั้งสมก็เป็นผู้มุ่งมั่นต่อหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งคุณญาด้วยทั้งสี่ชีวิตท่านมุ่งมั่นต่ออาจต่อธรรมมาโดยตลอดอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ในนามพระสงฆ์ที่รู้จักมักคุณก็ได้ ดูได้ติดตามท่านท่านเป็นผู้มุ่งมั่นจริงๆคุณญาตพูดอะไรที่อาตมาภาพได้ไปเยี่ยมเยียนท่านพูดอะไรออกมามีแต่เรื่องธรรมะทั้งนั้นไม่ได้คิดไม่ได้พูดถึงเรื่องโลกวัฏสงสารสมกับที่ท่านเกิดมาเพื่อธนุบำารลงพระพุทธศาสนาจริงๆจากนั้นท่านก็ได้วางรากฐานอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าว ว่าท่านองค์ขบวนตรีพร้อมกับบุตรชายก็ได้สร้างท้าววไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างมากมายและก็พร้อมกันไม่ใช่แต่ทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นก็ได้สร้างท้าวรวัตถุให้แก่สาธารณประโยชน์อย่างโรงเรียนโรงพยาบาลมีมากต่อมากอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ไปกราบพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นโพริทัโตถ้าจะว่าไปแล้ว คือต้นตอจริงๆก็คือท่านองค์ข้ามูลตรีดเรเฉาของเรานี่แหละแต่เป็นต้นเหตุที่จะมีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นขึ้นมาเป็นครั้งแรกท่านทราบที่เมื่อท่านเข้าไปกราบครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน้นหลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆที่เป็นสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ขององค์หลวงปู่มั่นท่านก็เคารพนับถือในครูบาอาจารย์ท่านก็อยากจะไปกราบว่าหลวงปู่มั่นมรณภาพที่ไหน เป็นอย่างไรท่านก็ได้พาหมู่พวกเพื่อนของท่านไปที่สกลนครจะไปกราบอัฐบริขารหลวงปู่มั่นพอไปเห็นอัฐบริขารของหลวงปู่มั่นอยู่ในตู้เก่าพระสมพานคือจงปู่มหาทองสุขที่ท่านเป็นจงพานเป็นเจ้าอาวาสวัชสุทธาวาสท่านก็มรณภาพไปก็มีเหลือแต่ผู้รองลงมาก็ไม่เห็นคุณค่าอัฐบริขารของหลวงปู่มั่นเพราะฉะนั้นท่านองค์ขมนตรีท่านไปเห็นโอ้ อันนี้ถ้าหากว่าอันนี้เป็นธงชัยแล้วว่าเป็นธงของพระอรหันต์สมควรอย่างยิ่งที่พวกเราจะเทิดทูนเคารพ บ, บูชาจากนั้นท่านก็ได้มากราบองค์หลวงตามหาบัวจากนั้นก็เลยได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นอย่างพวกท่านพวกเราทั้งหลายได้กราบได้ไวาท่านก็ได้เป็นประธานฝ่ายครวา่าหลวงตามหาบัวเป็นประธานฝ่ายสงแล้วก็ เจดีของหลวงปู่ฟั่นก็เช่นเดียวกันที่พวกเราเห็นมั่นคงถาวรทุกวันนี้ก็คือท่านองค์ข้ามณฑรีของเราเป็นประธานฝ่ายครวญ อ, องค์ตามหาบัวเป็นประธานฝ่ายสงทำไมอาตมาภาพจึงรู้จักเพราะอาตมาภาพอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512จนถึง2525เพราะนั้นอาตมาภาพจึง ได้ติดตามเรื่องราวว่าท่าน อ, องค์ขมลตรีของเราท่านดรเฉาของเราเนี่ยเป็นผู้มีทั้งคดีโลกและคดีธรรมค้ายๆว่าประโยชน์ตนท่านก็ทาหน้าที่ให้ดีที่สุดและก็ประโยชน์คนอื่น อ, อย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวท่านก็ได้ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคมโดยสม่ำเสม อ, อและก็พร้อมกันทางพระพุทธศาสานาก็อย่างที่อาตมาภาพได้กล่าว แล้วก็พร้อมกันในทางประพฤติปฏิบัติหรือจิตตภาวนาของท่านท่านก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องทาว่าผู้ที่สนใจหรือว่าผู้ที่ศึกษาธรรมะท่านก็จะพูดเรื่องธรรมะให้แก่ผู้ที่เขาไปเกี่ยวข้องได้ยินได้ฟังอันนี้อาตมาภาพไม่พูดเกินเลยนะอาตมาภาพไม่ได้พูดเกินเลยพูดอย่างที่มีความรู้สึกอย่างไรอาตมาภาพก็ได้พูดให้คณะตัดทาญาติโยมที่นั่งฟังที่นี่ ได้ยินได้ฟังแล้วก็พร้อมกันทางโลกท่านสงเคราะห์อะไรบ้างโรงเรียนหลายสิบโรงเรียนแต่โรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดคือสกลนครสกล ร, ราชเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเขาเท่านก็เห็นว่าจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดของพ่อแม่ครูบายการเป็นจังหวัดของหลวงปู่มั่นมรณาภาพเป็นจังหวัดของหลวงปู่ฟัน่นเป็นจังหวัดของครูบายการที่เกิดมาจาก สกล น, นครเพราะฉะนั้นจังหวัดสกล น, นครเป็นจังหวัดที่มีบุญคุนกับพระธุรงกรรมฐานท่านเขาก็ได้ขอโรงเรียนจากท่านท่านก็เสียสละทั้งท่านดร์ดยทั้งคุณชายด้วยได้ร่วมกันเสียสละไม่ได้จ่ายเงินของรัฐบาลแม้แต่บาทเดียวพูดอย่างนั้นได้ท่านก็ได้สร้างอาคารเรียนถึง24่สิบสี่ล้านเจ็ดแสสชั้นให้แก่โรงเรียนอันนี้คือหลังหนึ่งหลังใหญ่ แต่จากนั้นก่ออำเภอต่างๆในภาคอีสานที่อำเภอที่อยาก่วนก่อนที่ท่านจะไปสร้างแต่ละแห่งก็ไม่ใช่ว่าท่านมีเงินมากแล้วจะหวานไปไม่ใช่ท่านจะให้คนไปดูซะก่อนมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ท่านก็ได้ไปดูพอไปดูเสร็จแล้วท่านก็ตกลงไปเห็นเออมีความจําเป็นจริงแต่หลายอำเภอที่เสนอมาแต่ท่านบอกว่าไปดูแล้วไม่จําเป็นยังไม่สมควรที่จะสร้างให้เพราะพอเป็นไปได้อยู่ แต่ถ้าโรงเรียนไหนผ่าตตกปกป้องจริงๆท่านก็ได้เสียสละทุนทัพร์สร้างมาหลายสิโรงเรียนอันนี้คือการสงเคราะห์ชุมชนและสังคมให้แก่ประเทศชาติแต่เดี๋ยวนี้กำลังจะไปสร้างที่จังหวัดอุบลอำเภอศรีเมืองใหม่ที่บ้านเกิดของหลวงปู่มันอันนี้ท่านก็ไปเห็นคุณชัยไปดูเองว่ า, า่คุณชัยไปดูเองบอกมีความจาเป็น โรงเรียนเขาขาดอย่างมากเพราะฉะนั้นท่านก็ได้เสียสละทุนทรัพย์ไปสร้างอาคารเรียนที่อำเภอเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนี้ที่อาตมาภาพได้บรรยายให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังว่าท่านคุณยา่าคุณปู่ท่านได้ปลูกฝังอุปนิสัยของลูกของท่านหลานของท่านให้ช่วยเหลือชุมชนและสังคมคือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพราะนั้นท่านได้สร้างกุศลผลบุญไว้ในอดีตชาติท่านจะได้มาเกิดและก็มาเกิดในคติที่ดีสมบูรณ์บริบูรณ์ในชาตินี้เพราะท่านเป็นผู้มีบุญในอดีตเพราะนั้นตามาภาพได้ยกบาลีขึ้นเบื้องต้นว่ากุสลาธรร ม, มาอากุสลาธรร ม, มาอัพยากตาธรร ม, มา การสร้างบุญกุศลทำจิตให้เป็นกุศลคือกุศลาธรรมมาอากุศลาธรรมมาจิตที่เป็นบาปอากุศลอพยากตาธรรมมาจิตที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเรียกว่าอัพยากตาจิตที่เป็นกลางๆแต่อย่างผู้ตุชนของพวกเราท่านทั้งหลายโดยมากจะไปบุญกับบาปซะมากกวา่าที่จิตเป็นกลางๆลางนั้นหาได้น้อยมากถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาก็ บนกระ บ, บาเพ่จะไปมากกว่าแต่ละวี่แต่ละวันในความคิดของปุถุชนทั้งหลายแต่ว่าก็มีอภยกตาจิตจากนั้นก็ขยาวยธรรมมาสร้างข่าราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดทาติชังขานทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงขอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้ก็คือท่าน ครอบครัวของท่านณศีลวันท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาททั้งประโยชน์ตนท่านก็รู้วสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเกิดมาแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่ยหนีพ้นไปได้เพราะนั้นท่านมองเห็นแล้วว่าในชีวิตหนึ่งที่เกิดมาแล้วควรจะทำอย่างไรอย่างที่คุณย่าได้พูดว่าได้พบพระพุทธศาสนาได้สั่งสมคุณงามความดีนั้นล่ะเป็นลาบอันประเสริฐ คุณย่าท่านพูดไว้สั่งสอนลูกหลานของท่านแต่บัดนี้ลูกหลานของท่านก็ได้เดินตามแนวแถวที่คุณย่าได้บอกกล่าวเอาไว้ท่านก็ได้ไปยังประโยชน์ตนประโยชน์ตนท่านก็ไม่ขาดตกบกพร่องหน้าที่การงานพวกเราที่ได้ยินแล้วพวกเราไม่ต้องพูดถึงว่าท่านทำหน้าที่อะไรเปว่าสูงสุดคนในชาติของเราจะว่า พี่น้องถ้าว่าเป็นประชาชนแล้วก็ท่านเป็นผู้หนึ่งได้ทำหน้าทีน่นี้เพื่อชาติบ้านเมืองของพวกเราอันนี้ก็คือประโยชน์ตนของท่านกระพร้อมการท่านก็ไม่ได้ลดละในการทำคุณงามความดีของท่านท่านสั่งสมบุญกุศลของท่านท่านเชื่อในกรรมผลของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วท่านเชื่ อ, อในพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะอาตมาภาพมั่นใจ อาตจมาภาพได้เข้าไปใกล้ท่านแล้วฟังดูแล้วท่านเชื่อในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรืเชื่อในกรรมในผลของกรรมนี่ท่านไม่ได้ปีกแวะไปทางอื่นเลยเ่ตรงนี้จากนั้นถ้าประโยชน์ของคนอื่นประโยชน์ตนก็นพร้อมแล้วก็ประโยชน์ท่านอย่างที่อาจจะมาภาพได้ประยายให้ฟังว่าท่านทำคุณประโยชน์อะไรไว้ในพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นบางส่วนเท่านั้น แต่ถ้าจะบันยายไปแล้วมีมากมายและประโยชน์ทางโรงเรียนโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลท่านซื้อเตียงให้แก่คนไข้ท่านซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมากมายอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ท่านได้ทาประโยชน์ให้แก่ชุมชนเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่ของท่านหรือคุณย่าของพวกเราท่า น, ท, านทั้งหลายก็ได้มารณภาพลงอยากพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น นี่แหละพระพุทธเจ้าใชอย่าตั้งอยู่ในความประมาทพระพุทธเจ้าท่านเห็นอะไรพระพุทธเจ้าจึงหนีออกไปบวชให้พวกเราศึกษาดูว่าพระพุทธเจ้าทาไมจึงหนีออกไปบวชตั้งที่พระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในเวียงในวงังท่านนี้บวชพระองค์เห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายจากนั้นท่านก็เห็นสมณะผู้ที่จะหลีกเลย ลีกเล่นได้เนะี่ยคือสัมมณะหรือสัมมณะนี้ท่านทำไมเห็นสัมมณะท่านจึงนี้ออกไปบวชท่านบอกว่าเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายถ้าว่าเราอยู่ปกครองบ้านเมืองดูแลภัยพ้าประชาชนบริหารประเทศชาติอยู่คงจะไม่มีโอกาสที่จะคิดได้ท่านจึงมองว่าสัมมณะออกไปอยู่หลีกเล่นอยู่ตามลาพังคิดอยู่ตามลความหาช่องทางอยู่ตามลาพัง พระคงจะมีช่องทางที่จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงหนีออกไปบวชไปอยู่ในป่าถึงหปีไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าเป็นเวลา6ปีแต่สูตรสําเร็จคือวันที่ที่ได้สําเร็จนั้นพระพุทธเจ้าได้สําเร็จอะไรได้ตัดสรู้อะไรที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ในวันเดือน6เพนนนั้นพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ทำสามอย่าง วันเดือนหกแผ่พระองค์นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าถ้าว่าพวกเราอยากจะทราบว่าพระพุทธเจ้าภาวนาอะไรท่านทำใจยังไงท่านกาหนดใจอย่างไรท่านภาวนาอะไรให้พวกเรารู้ไว้วา พระาพุทเจ้าภาวนานะ่วันที่ท่านได้ตัดสู้นั่นคือท่านภาวนากำหนดลมหายใจเข้ามีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้ามีสัมปชัญญะในลมหายใจออกในวันเดือนหกเพนพระอาทิตย์ยังไม่อัจดงฮะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในวันนั้นพระองค์หันหน้าไปทางนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนายโสติยะนําญ้าคามาถวายท่านเกลียลงที่โคลนต้นโพ เสร็จแล้วท่านขึ้นไปนั่งบนบันลังแล้วนั่งอาสนะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเนี่ยชัดเจนขนาดนั้นลหละจากนั้นท่านนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกในตอนําค่ ำ, คำหรือตอนหัวคำ่ำพระไทยของโพ์ใจของงพ์เข้าสู่ความสงบใจรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตสงบรวมลงเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะ เพราะนั้นญาณทัศานานี่จะเกิดขึ้นได้เพราะผลแห่งสมาธิถ้ามีสมาธิเสียก่อนจึงมีฌานจึงมีญาณนัศนะถ้าหาว่าใจของเราไม่สงบจะไม่เกิดฌานในเมื่อจิตสงบแล้วเกิดญานัตนาเกิดฌานเมื่อเกิดญาณนัตนาเกิดฌานพ่ะพุทธองค์ล้ำลึกชาติผลหลังได้เรียกว่าปุเพนิวาสานุสตติญาณอันนี้คือสมร็จฌานที่หนึ่งคือในปฐมมาาัยคือตอนหัวค่ํา ุพเพนนวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาใครจะเบนไปทางไหนก็เบนไปอย่างนั้นแหละแต่ตามหลักของพระพุทธศาสนาตายแล้วเกิดอีกแต่เกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ธรรมในวันเดือนปพเพนนั้นภพเพนนนวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้ถ้าคนเกิดมาชาติเดียวเกิดมาวันนี้วันเดียวเราจะระ ล, ลึกถึงเมื่อวานนี้ได้อย่างไร ก่อนที่จะเราจะระลึกถึงเมื่อวานนี้ได้ก็ต้องมีเมื่อวานนี้วันก่อนนะเดือนก่อนปีก่อนเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่นับถือพระพุทธเจ้าต้องเชื่อว่าปุเพนวาสานุจติยาระลึกชาติคนหลังใตายแล้วไม่สูญ ต, ตายแล้วเกิดอีกก่อนที่พระพุทธองค์จะรู้จุดนี้ได้พระพุทธองค์ทําอย่างไรในวันเดือน6เพนนนั้นท่านนั่งภาวนาอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวไปว่าท่านทําอย่างไร ท่านนั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตใจเป็นหนึ่งแล้วร่างกายกับใจเนี่เป็นคนละอันกันพระองค์รู้ได้ด้วยพระองค์เองในขณะที่นั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบร่างกายเป็นอันหนึ่งใจเป็นอันหนึ่งในคนขอเรานี่นั่งอยู่ที่นี่ด้วยกันเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายมีสองคือกายกับใจกายคือรูปประธรรมส่วนใจคือนามธรรม ตัวนามธรรมาตัวนั้นแหะจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆจะเป็นผู้รับบาปรับกรรมรับบุญรับบุญสนแต่ส่วนรูปธรรมคือร่างกายนี้จะต้องแตกจะต้องสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟไม่เป็นอย่างอื่นตายแน่นอนเกิดมากี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะอยู่คำฟ้าดินสลายไปได้มีแต่ยืนอายุยืนอายุสั้นเท่านั้นเองแต่ต้องตายด้วยกันทั้งหมดอันนี้คือรูปธรรม ส่วนนามธรรมาคือนามธรรมาคือจิตใจนั้นไม่ตายถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนร่างกายเหมือนกับรถจิตใจของมนุษย์เหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่อาศัยกันคือรูปประทับและนามธรรมาแต่คนขับรถนั้นจะต้องออกจากรถไปแต่รถนั้น เ, เมื่อมันตายเมื่อบทสาภาพมันก็ต้องไปไม่ได้คนก็ต้องหนีออกจากรถไป เมือ่อ น, นี้ออกไปจาะรอดไปตอนหนึ่งรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจุตูปะปาแต่ญานการจุติของสัรพสัตทั้งหลายสัพพสัตทั้งหลายมาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปไหนก่อนที่เขาเกิดจากที่อื่นมาที่นี่เขามาด้วยวิธีอย่างไรเขามีบาปอกุศลหรือเขามีบุญกุศลที่เขามาเกิดที่นี่นี่เรีว่าจุตูปะปาแต่ยานพระพุทธองค์ก็รู้อีกว่าคนคนนี้บิญญาณดวงนี้ เขาได้ทําบุญกุศลอย่างนั้นอย่างนั้นไปมาเกิดในชาตินี้แล้วออกจากชาตินี้ไปคนที่ทําบาปเขาจะต้องไปตกนรกแบบนั้นแบบนั้นเนพระ อ, องค์ก็รู้ได้อีกอันนี้คือจุกตูปะ ป, ะปะตาต ย, ยานเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายไม่อยากจะเชื่อพระพุทธเจ้าไม่อยากจะเชื่อใครทั้งหมดก็อยากจะเชื่อตอนเองก็ให้นั่งภาวนาถ้านั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่า ร่างกายเป็นอันหนึ่งส่วนจิตใจคือนามธรรมนะั้นเป็นอันหนึ่งเป็นโคระาะห์นกัน เ, เราจะเชื่อมั่นว่านี่พระพุทธเจ้าท่านรู้ได้อย่างไรที่ท่านแยกแยะได้อย่างไรเพราะท่านทำจิตใจให้สงบพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าว่าพวกเราตั้งอยู่ในความประมาทแล้วพวกเราจะ เข้าสู่ความหายยนะคือความทุกข์ในอนาคตเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็จะมีแต่ความทุกข์กระถม่มเพราะนั้นการเกิดมาของมนุษย์จึงไม่เหมือนกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นบางคนก็เกิดมาแล้วก็มีเงินคำทรัพย์สมบัติล่ารวยไม่ขาดตกบกพร่องเพราะปัจจัยสีเพราะอดีตชาติของเขาได้สั่งสมคุณงามความดีมาโดยตลอดแล้วก็ผู้ที่เกิดมาพบนี้ชาตินี้ยากลาบาก พิกงพิการด้วยอวัยวะต่างเพราะเหตุไรเพราะบาปอกุศลเขานํามาเกิดเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้มาเกิดได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาพบพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเราถึงจะเลี้ยนดีขนาดไหนอาหารดีขนาดไหนผ้านุ่งห่มดีขนาดไหน ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีขนาดไหนที่อยู่อาศัยดีขนาดไหนร่างกายของพวกเราก็ยังเป็นอื่นอยู่เสม อ, อ, อยังไม่ใช่เราอีกสักวันหนึ่งก็แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้เพราะนั้นมีแต่ดวงวิ ญ, ญญาณคือใจนั่นล่ละที่พระพุทธเจ้าให้ความสนใจอย่างมากให้ความสนใจเรื่องนามนธรรมคือใจพระพุทธองค์บอกว่ามโนปุพังคมาธรร ม, มามโนเสถามโนบายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจเพราะฉนั้นพระองค์ให้ความสนใจเรื่องใจนี่มากกว่ากายส่วนร่างกายนั้นพอเป็นพอไปพอประทังชีวิตไปเป็นวันๆแล้วก็ถึงจุดจบแต่ส่วนนามธรรมนั้นเพราะพระองค์ท่านบอกว่าให้ฉลาดก็ได้ให้โง่ก็ได้ให้เป็นอันตรธานก็ได้ให้ตกนรกเป็นคนชั่วช้าลามกก็ได้ให้เป็นบัณฑิตนักปราดก็ได้ให้เป็นพระอริยะบุคคล พระโสดาพระสกทาพระอนาคาพระหันเป็นพระพธธุทธเจาวว้าก็ได้ใจของเรานี่ฝึกได้แต่ส่วนร่างกายนั้นถึงจะเลี้ยงทนุถนอมขนาดไหนร่างกายก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอแก่เจ็บตายในที่สุดเพราะนั้นคนยากของเราก็อยู่ในกติที่ว่าอันนี้จังทุกขังอนาตางเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะหลีกลีก่หนีพ้นไปได้เพราะนั้นขอให้คณะทศยญาติโยม ทุกๆกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังที่อาตมาได้บรรยายในวันนี้ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนําไปคิดไปพิจารณาไตรตองด้วยเหตุและผลที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้แล้วว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนสิ่งที่ให้เกิดนันคือนามธรรมแต่ส่วนร่างกายนั้น แต่สลายในที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ได้อธิบายตามสมควรแก่การปฏิบัติด้วยประการลัชนีด้วยอำนาจพระราชสุขุศลทักษีนานุปทานที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าบำเพ็ญในงานออกเมนพระราชทานทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จสุขวิบากสุขสมบัติ แก่นางจำนงณศิลวันโดยฐานะนิยมพระมหากรณาทิคุณทางปวงนี้สมควรจะเป็นที่เทิดทูนทราบซึงแก่ครอบครัวญาติมิตรทั้งหลายเป็นอย่างสูงยิ่งและแสดงถึงผลของการปฏิบัติธรรมอันพึงได้รับพระมหากรณาทิคุณและได้รับความนับถือจากสาธุชนทางปวง แสดงธรรมเทศนายุติลงเอวังก็มีด้วยประการชานีขอถวายพระพร